ก็พินาศไปแต่ผู้ใดหญิงหรือชายก็ตามฝังทรั์คือคุณธรรมเช่นทานศีลความสมรวมใจและการฝึกกายวาจาไว้ในตนผู้นั้นชื่อว่าฝังทรัพย์ไว้ดีแล้วอันหนึ่งทรัพย์ใดอันบุคคลฝังไว้แล้วในวัตถุที่ควรบูชาในพระสงฆ์หรือในบุคคล ในการต้อนรับแขกในมารดาบีดาหรือในพี่น้องทรัพนั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วอันใครๆจะเอาชนะไม่ได้ติดตามไปได้ทุกแห่งเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุคคลย่อมถืออบุญนั้นแหละติดตัวไป ภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้วนอนทับบ่วงอยู่ย่อมถึงความเสื่อมพินาศหนีไปไม่ได้ตามปรารถนาถูกพรานเนื้อกระทําเอาได้ตามต้องการฉันใดสมณพราหมพวกใดพวกหนึ่งที่ยังไฝ่ฝันรุ่มหลงติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามกุณห้าโดยไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดตนออก สมณพราหม์พวกนั้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศถูกมานใจบาปกระทําเอาได้ตามต้องการฉันนั้นส่วนสมณพราหม์พวกใดพวกหนึ่งไม่ฝันใ่ไม่รุ่มหลงไม่ติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณพราหม์พวกนั้นย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศ ไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทําเอาได้ตามต้องการเหมือนเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงแม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่ก็ย่อมไม่ถึงซึ่งความเสื่อมความพินาศเมื่อพลานเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกพลานทาเอาได้ตามต้องการ พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยที่จะได้ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายของในพรานแล้วน้อยตัวนักที่จะพ้นไปได้โลกียะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืดเป็นผู้บอดเพราะ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 ต้องตายไม่มีใครพ้นไปได้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติก็ตกนรกบางชาติก็ไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดของดิเรฉานบางชาติก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่กรรมน่าหวาดเสียวน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดของติเรฉานเช่นสุนัขเป็นต้นช่างน่ากลัวสิมิกระไร แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเองเพราะมนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกจากโลกเป็นโลกุตรชนนั้นเป็นทศนะ และเป็นอุดมคติของนักปราชทางนี้เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่ผู้คนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกขเสียทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกที่กระนำอยู่ทุกเวลาไม่ได้เว้นโลกมีความสุดโทม แวดล้อมอยู่ด้วยทุกรอบด้านมีปัญหามากพร่องอยู่เป็นนิดมีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอเข้าเปลือกซับ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 เพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึ่งสั่งสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวภาลนาอานิสง์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่ๆมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นไม่อาจชำระบนดินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระบนทินได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์โลกนี้ ลมหรือฝนหรือจัน์แดงหรือแสงจันท์อันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสงบเย็นได้ศีลตะหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลมีความสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันได ที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าสู่พระนครคืนนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาประดับไปด้วยบุคดามนีก็ยังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาพรคือศีลศีล น, นี้คอยกันจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเ อ, อิบอิ่ม ร่าเริงประหารกำลังแห่งโทษต่างๆเป็นต้นในโลกนี้ก็คล้ายโรงพรยาบาลโรงใหญ่คนทุกคนเป็นคนป่วย ป่ยไปด้วยโรคทุกถ้าทุกได้บำบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนเราก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบำบัดได้ทุกชนิดทุกใหญ่คือความแก่และความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าทุกทั้งสองนั้นไม่มีใครจะบำบัดได้เลย ถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปใจเราก็จะสูญเสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ไว้ไม่ยึดไว้ถือไว้เราก็จะไม่เสียใจเลยความโศกย่อมเกิดจากความรักความกลัวย่อมเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากความรักแล้วความโศกก็ไม่มีความกลัว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 ความหลงคือความไม่รู้จริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตมืดมัวเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในดวงจิตดุดน้าที่เต็มไปได้วยฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุดคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกขัดเคืองในตาคนส่วนมากที่หลงอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตา คือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยผงทำให้ใจขุ่นมัวมองอะไรไม่เห็นถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทำผิดพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดก็คือทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวผิดไม่คิดจะพิสูจน์ตามจริงแล้วก็เดินไปตามทางที่ผิดเรื่อยไปผงที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวคืออะไร ท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อนจิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะแจ่มใสเยือกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุปรุโปรง่งเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคําพูดที่ดีการทํางานอะไรก็เป็นงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทําดี ผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นความอยากได้ความกระหายจะเข้าแทรกจิตใจทำให้จิตใจโกวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทรกจิตใจทำให้จิตใจเจ็บแสบประดุดถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความโศกเศร้าจะครองใจทำให้จิตใจ หดหูเงื่องหงอยบางเวลาความกำหนัดยินดีจะเข้าครองใจทำให้จิตใจฮึกเหิมแต่มืดมัวดุจช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความริษยาความกำหนัดความโศกเป็นต้นเหล่านี้คือผงของจิตใจทำให้จิตใจขุ่นมัวมองเห็นอะไรไม่ถนัดดุจคนที่ผงเข้าตา นักปราดเรียกกันว่าสมมุตินั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของคนทั่วไปยิ่งนักนักปราดเห็นว่ายิ่งกระเทาะเปลือกออกได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นแต่คนทั่วไปมิได้เห็นอย่างนั้นเลยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยสาม ผู้มีอัธยาศัยปานกลางย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้ที่มีอัธยาศัยปานกลางผู้มีอัธยาศัยอันประณีตย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้มีอัธยาศัยประณีตหัวใจที่ถูกรัดลึงด้วยเชือกคือความรักนั้นมีอาการเหมือนเด็กหิวเขาต้องการ และร่ำร้องให้ได้มาซึ่งอาหารที่พอจะบบัดความหิวได้โดยไม่คำนึงถึงความมีหรือไม่มีหรือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นความโกรธเป็นบนทินอย่างยิ่งของหญิงงามมันทำลายให้ความงามปราศนาการไปความโกรธเป็นเสมือนเงาอันทมึนของก้อนเมฆที่เคลื่อนเข้ามาบดบัง ความงามของดวงจันทร์มนุษย์เราสมัยนี้ยอมตัวให้เป็นทาสของประเพณีจนเกือบจากกระดิกกระเดียตัวไม่ได้อยู่แล้วเขาจะต้องทำตามประเพณี แม้ประเพณีนั้นจะขาดเหตุผลหรือผิดกาละเทศะอย่างเหลือเกินแต่เขาก็จำเป็นต้องทำไปทำไปต้องทำไปทั้งๆ ท, ท, ที่จิตใจไม่สมัครที่จะทำเสรีภาพในชีวิตของมนุษย์ผู้เกลือกลัวอยู่ในสังคมเกือบจะหมดสิ้นอยู่แล้วทำไมมนุษย์จึงพยายามสร้างประเพณีขึ้นมาผูกมัดอิสรภาพของจิตใจตนเอง ในชีวิตของคนสามัญทั่วไปการกระทาต่างๆมักมีลักษณะสองประการคือได้กับเสียการได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่พระอรหันต์ไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจ และไม่เสียใจอยู่เหนือการได้การเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงได้ทรงตัดเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบไร้วินัย ประพฤติตามอำนาจกิเลสที่ครอบงำชักจูงในโลกนี้ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะมีสิ่งประเสริฐอยู่ในตน คนมีใจสูงเมื่อได้ทราบว่าบัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้นเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจหรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตลิษยาเป็นเจ้าเรือนเมื่อได้ฟังคําสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมานะและลิษยานั้นขึ้นคิดกําจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อราบยศ และสรรเสริญสุขที่ตกแก่ผู้อื่นเมื่อสัตบุรุษคือคนดีให้สิ่งที่ให้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตบุรุษคือคนชั่วทำตามไม่ได้เพราะทำของสัตบุรุษทาได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางดำเนินหรืออนาคตของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ ต่างกันอสัตตบุรุษไปนรกส่วนสัตตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดินฝั่งมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกันแต่ธรรมะของสัตตบุรุษกับของอสัตตบุรุษยังไกลกันยิ่งกว่านั้น การกระทาของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายกับมีกิเลสผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้คานองเดียวกันการกระทาของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีกิเลสเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากดูเถิด ดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์แต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตนันีบีบคั้นครอบงำหัวใจคนเตอร์นีแม้จะมีทรัพย์มากก็เหมือนกับคนยากจนเหมือนน้ําทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อยก็ปล่อยได้พึ่งเหมือนบ่อ ที่ได้พออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขได้ความสามาคัคคีร่วมกำลังกันแม้แห่งสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังการงานที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เส้นยาคว้านเป็นเกลียวเชือกอาจจะผูกช้างสารที่เมามันได้สำเร็จความสามัคคีในระหว่างญาติของตนแม้จะน้อยคนก็ย่อมเป็นความเจริญแก่มนุษย์ผู้นี้เป็นพวกของเราหรือพวกอื่นนี่คือความรู้สึกของคนใจแคบผู้มีจิตใจกว้างขวางย่อมจะถือว่าผู้อยู่เหนือพสสธาทั้งหมดนี้ เป็นพวกเดียวกันคนชั่วเหมือนหม้อดินแตกสลายง่ายและซ่อมยากแต่คนดีเหมือนหม้อทองยากที่จะแตกแต่ประสานง่ายคนชั่วแม้จะมีความรู้เป็นอาภรณ์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นอสารพิษประดับเพชรแล้วมันจะไม่ทำอันตรายละหรือ ความจริงผู้เฉยเมยต่อแขกผู้มาหาตนนั้นต้องถือว่าเป็นคนโง่และผู้ที่ต้อนรับดีจัดว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะอาคารตุ ก, กะผู้มาพักอาศัยเพียงชั่วคราวคืนหนึ่งหรือสองคืนหรือเกินกว่านั้นก็ไม่มากนักแต่สิ่งที่เจ้าของถิ่นกระทำไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเสียเขาจะต้องจดจำไปจนตลอดชีวิตและจ่รึก ไว้ให้ลูกหลานพงผันอีกด้วยพวกเราทั้งหลายเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเหมือนนกที่หมกตัวอยู่ในกรงตถาคตได้ทำลายบ่วงและกรงออกไปก่อน หาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่เมื่อตถาคตหลุดพ้นแล้วจึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลายกำลังของตถาคตก็คือทศพลรยานอันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราหลุดพ้นจากบ่วงและกรงเช่นเดียวกับเราบุคคลจะมีความสุขเต็มที่ก็เพราะอิสระ ปราสจากเครื่องผูกพันเที่ยวไปได้ตามปรารถนาเหมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วงด้วยประกาศรชนี้ความทุกข์ทั้งปวงก็จะหลุดล่วงไปเอง กระจกเขามีไว้สําหรับมองดูตํานิที่หน้าฉันใดบุคคลพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตนฉันนั้นกรรมใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพึงเว้นกรรมนั้นเสียเพราะกรรมนั้นย่อมให้กําไรคือทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ ส่วนกรรมใดตรงกันข้ามพึงทำกรรมนั้นอันมีความสุขเป็นกรรมไรมีความสุขเป็นผลบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่ควรตีโพยตีพาย ในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในวันหน้าทำนองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนาไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบ วันคืนล่วงไปมิได้ล่วงไปเปล่าย่อมทำให้อายุผิวพรรณและกําลังสิ้นไปขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างหูกทอทอไปได้เท่าไรส่วนที่จะต้องทอก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยลงฉันนั้นแม่น้าที่เต็มมีแต่ไหลลง ย่อมไม่ไหลกลับอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ร่วงไปร่วงไปไม่ถอยหลังกลับได้เลยความแก่และความตายย่อมพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นลงฉะนั้น ผู้เห็นการไก่จึงควรหมั่นประกอบแต่กรรมดีไม่ดูหมิ่นกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยหรือเห็นว่าเล็กน้อยแล้วละเสียอาหารที่บริสุทธิ์แม้น้อยก็ทำให้บุคคลยังชีพได้ชั่วระยะหนึ่งยาพิษแม้น้อยก็สามารถทำให้ผู้ดื่มตายได้ฉันใดความดีความชั่วก็ฉนนั้น ความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงามและมีกำลังความชั่วเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจให้สุดโทมในระหว่างความดีกับความชั่วในที่สุดความดีก็ต้องเป็นฝ่ายชนะ ศัตรูหมายเลขหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือกิเลสส่วนมิตรหมายเลขหนึ่งก็คือธรรมะมนุษย์ส่วนใหญ่เร่าร้อนดิ้นรนอยู่ในกรองเพลิงคือกิเลสคลุกเคล้าอยู่ด้วยของโสโครกคือกิเลสเนื่องมาจากไม่ได้เห็นโทษของมันจึงมิอาจจะถอนตนขึ้นจากกลมเลนอันโศโครกคือกิเลสนั้นได้ เวียนทำกรรมซ้ำซากอยู่นั่นเองน่าเบื่อนายส่วนธรรมะเป็นมิตรอันประเสริฐเป็นสิ่งดับร้อนชำระความโศกโครกแห่งจิตใจนำความสุขอันปราณีตมาให้เป็นแสงสว่างเกินเปรียบสงครามในชีวิตของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะถ้าธรรมะประสบชัยชนะอันยั่งยืนในชีวิตของท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นน่าเคารพยกย่องเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเรียกบุคคลชนิดนี้ว่ายอดนักรบในสงคราม เทพดีมีสาระประเภทนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายชุดหากท่านผู้ฟังสนใจเชิญติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธรรมทัศสมาคมโทร7า5เจ็ท่านจะได้ฟังเรื่องราวที่จะช่วยนำพาชีวิตของท่านให้ได้พบกับความสงบร่มเย็นขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟัง โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรม